พบกัามาจุดนี้ก็มโนหมายของว่าจะฟังคนเดียวแล้วได้เข้ามาปฏิบัติเลยพอพบเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนันมาหาใคร อ, ะอ่ะพบไปอ่านตามหาหนังสือรลวเทียนใช่ไหมไม่ใช่มาพบอาจารย์พง์เลยทีเดียวนะเอาคุณไปดูยู u b e สี่คุณไปอ่านหนังสือเล่มนั้นสี่คุณไปฟังเทปมลนนั้นสี่ใช่ไหม คุณไปพบคุยกับโยมคนนั้นดิอะไรเนี่ยนี่แค่เป็นด้วนขบวนการของกระยามิตรเราก็เลึกรลัอ๋อพบคนนี้คนนี้คนนี้คือสามารถย้อนน่ลึกถึงเริ่มต้นของตัวเองว่าเป็นมาอย่างไรถึงจะพัฒนามาถึงจุดเนี้ยมันจะต้องมีที่ไปที่มาลักษณะนี้เรียกว่าเรามีสติในระดับสันอปุเพนิวาสารุสติญาและลึกสิ่งที่เราเริ่มต้นต่อมาว่ากาเนิดของ จิตวิญญาณที่เราจะรู้มาเป็นตัวรูณ้ณวันนี้ที่เป็นปัญญายานเนี่ยซึก่อนหน้านั้นที่เราไม่พบเพื่อนคนนั้นแนะนำเราสตรีปัญญาของเราก็ยังเป็นสัญชตาตญาณอยู่ใช่ไหมมันเริ่มมาเป็นนะเป็นปัญญาณาตัวนี้มันเริ่มเพาะบ่มเพาะมาทีละนิดลีนิดจากเพื่อนคนนั้นซึ่งเราอาจจะลืมเข้าไปแล้วใช่ไหมจากเพื่อนคนนั้นทำให้เราได้ตามอ่านหนังสือหลวงพ่อเทียนเร่มไหนชื่ออะไรที่ไหนนี่ อถ้าว่าเป็นคนแล้วลึกเก่งก็อยะนึกออกใช่ไหมแต่ละคนผมจําไม่ได้ที่ไหนก็ไม่รู้ผมจาาาาําำพาๆว่าได้อ่านหนังสือหลวงพ่อเทียนมุทิเอนึนลึกไม่ได้ด้วยซ้ําไปอ่ะนะแต่ที่นี่ในหนึ่งรลึกได้ว่าได้พบเพื่อนคนนั้นแล้วแนะมาอ่านหนังสือหลวพ่อเทียนใช่ไหมแล้วจากนั้นนะนี่ผมจะเป็นกรณีตัวอย่างสักตัวอย่างนึงเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ถามทุกคนนะออรอาเารเวลาละใช่ไห ม, อ, มอ่านแล้วรู้สึกประทับใจใช่ไหม อ, อยากจะรู้ <Okay. S 1> ความอยากที่จะรู้เรื่องนี้มันเกิดจากเพื่อนคนนั้นหรือเจอเคยอ่านเจอเกิดจากอ่านได้อ่านหนังสืออ่ามาส่งทอดกันใช่ไม้มแรงของเพื่อนส่งทอดให้มาอยากอ่านหนังสือพอได้อ่านหนังสือก็มีแรงศรัทธาเกิดขึ้นแล้วก็ทิ้งช่วงเวลาอพอปิดภาคเรียนก็มาพบใครอาจารย์พง์ใช่มอ่าพบที่ไหนเมื่อไหร่แลวอาจารย์พง์สอนว่ายอย่างไรนึกออกไหม เส่ไเนี่ยเห็นไมถ้าถ้ายิ่งลำดับลักษณะลำดับเหตุการณ์อย่างนี้ละเอียดลงไปเลยผมมักจะย้อนไปถึงเหตุการณ์เหล่านี้บ่อยๆว่าผมร่่มรุนจากใคร เราไปถามว่าอะไรมันเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าเราเข้าใจอะไรดีแล้วที่จะไปนําเสนอเพื่อนเนี่ยเพื่อนทุกคนก็เหมือนเราหมดเขาก็มีการเริ่มต้นมาแต่เรายกจากการเริ่มต้นของเราเนี่ยมันก็จะเลยเกิดแรงชุ่มใจให้กับเพื่อนโอ้เพื่อนเคยนึกถึงอย่างน้อยเราก็นึกบุญถึงบุญคุณของเพื่อนคนนั้นนึกถึงบุญคุณของอาจารย์ที่ได้บอกเราลําดับ คุณนลักษณะของผู้ที่จะเข้าใจอะไรได้ลึกซึ้งเลยต้องมีการระลึกแบบนี้นะครับระลึกหรือคือจะเราไม่ลืมถ้าพูดภาษาอยาแบๆบคือไม่ลืมกําพืดของตัวเองคือ <c oughs> ไม่ลืมที่ไปที่มาของตัวเองอะ่ะว่าเรามาจะเริ่มต้นจากใครแล้วครูบาอาจารย์ของเร า, เรากี่คนกว่าจะผ่านมาถึงตรงนี้ได้เราใช้ครูบาอาจารย์เปืองมากไหมหรือเราใช้เพียงคนเดียวศรัทธาเลยแต่เราพาอาจารย์มาไป็นสิบองค์ถึงเมื่อเกิดศรัทธาออแสดงว่าเรา ค่อนข้างหนาหน่อยต้องเจอคุบะาจนเยอะๆหน่อยถึงมาคอยถาคอยทางเราถึงจะเกิดเบาบางขนาดนี้นะแต่ผมเจอคุบะาจ์ ain, คนเดียวผมรู้สึกในรับแรงบนันดาลใจพทุทเต็มตำที่เลยนี้แช่คุบาไม่เปืองนะเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกปุเพนิวาสานุสติยาน ไม่ใช่ว่านั่งศึกษาไปห่วงไปหาไปขี้เกียจไปแล้วก็ทําว่าเป็นรู้ไปอะไรพวกนี้มันไม่ใช่แล้ว <c oughs> ซึ่งเรื่องเหล่านี้ย ต, ต้องลําดับอย่างละเอียดเลยว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองตามลํำดับมาจากช่วงปีนั้นถึงปีเนี้ยเป็นปีที่เท่าไหร่สามปีห้าปีหรือสองปีหนึ่งปีแล้วก็ย้อนคืนไปใช่ไหมหนังโมงนี้จะรับการรีลันได้หลายรอบ หลวงพ่อเทียนท่านเข้าใจลักษณะนี้ท่านก็มาทบทวนแล้วทบทรมดีแต่การบรรลุธรรมของท่านท่านจึงนําเอาสิ่งที่เป็นประวัติเนี่ยของตัวท่านเองเนี่ยมาเล่าแล้วเล่าอีกแล้วก็ฟังไม่เบื่อนะฟังหลวงพ่อเทีย น, นีนอะไรก็หนังม้วนเก่าเนะี่ยแต่ฟังรอบไหนก็รู้สึกเกิดแรงสะทาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมอันนี้ถ้าหาพุรธเจ้าเราเรียกพุทธประวัติใช่ไหมเราเรียนพุทธประวัติ มาตั้งแต่เนี่ยพุทธเจ้าก็เล่าแต่เรื่องของตัวเองเราถึงได้เรียนพุทธประวัติได้เรียนอนุพุทธประวัติน่ะนะนะตามลําดับล ง, งมาเถารีประวัติเถล่ประวัติมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่นั้นสิ่งที่ดีๆมันจะงอกงามเติบโตขึ้นในจิตในใจจู่ๆมันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันก็เหมือนผักผลรไม้ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มันเติบโตขึ้นมามีดอกมีผลเหมือนกันการที่ภูมิธรรมจาก ที่เราไม่รู้อะไรเลยขึ้นมาเป็นมรรคเป็นผลในทิตในใจของเราเนี่ยมันจะต้องมีที่ไปที่มาแต่บุคคลคนหนึ่งที่จะมารู้ที่ไปที่มาของตนและเ ล, ลึกเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนแล้วสามารถาเรียงลำดับการค้นพบของตัวเองเรียงลำดับการได้ละเลิกละสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาของตัวเองมาตามลำดับ ที่ไหนเวลาใดแล้วมันเลิกได้อะไรไม่ได้เป็นสามารถจำเหตุการณ์สำคัญสำคัญได้ตรงนี้ท่านเรียกว่าได้พบตามลำดับที่ผมจะลำดับต่อไปนี้ครับหนึ่งได้พบกับกัลยาณมิตรใช่ไหมต่านคนที้บอกเราสองเมื่อพบกัลยาณมิตรแล้วแล้วเกิดอะไรเราถึงอยากจะได้มาถึงอยากจะมาพบเกิดอะไรพบกัลยาณมิตรเกิดการได้ยินในฟังใช่ไหอ่าเรียกว่าสุดมะยัญญาละ และการยมิตรอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนท่นอจะเป็นทั้งสือเป็นเทปเป็นซีดีเป็นยูทูปเป็นคําบอกเล่าจากใครก็ตามก็สั่งสมกันมาเรียกว่าการยานมิตรนะครับแล้วทําให้เราเกิดปัญญาสามประการคือหนึ่งการได้ยินได้ฟังเพราะพบนิมิตสองได้คิดละใช่ไหมคิดว่าเอ๊ะเป็นยังไงเรื่องนี้เกิดเกิดปัญญาขึ้นมาระดับที่สองสามเอ๊ะพอมาพบครูบาอาจารย์และลงมือทํา หรือพวพระอาจารย์พง์เราลงมือทำเลยหรือเปล่าหรื อ, อยังไม่ได้ลงมือเลยยังใช่ไหรไม่ลงมือเลยอ่ายัางใช่ั้ยก็ต้องฟังหลายๆครั้งแหละใช่ไมอ่านี่ปัญญาตวัวจินตาไม่ใ้ปัญญามางทีฟังแล้วขั้งที่หนึ่งไม่เข้าใจที่สองที่สามที่สี่เริ่มเข้าใจกูจะมานำมาสู่การการะทำหรือภาวนาได้เนี่ยต้องฟังเท่าไหร่ครั้ง นะหรือพวอาจารย์โพ้งก็ยังไม่แน่ใจเอาไปหาอาจารย์องค์ใหม่ไปหาอาจารย์องคนันนี่ก็เริ่มเทเลนที่ละหน่อยจนกระทั่งนํามาสู่การลงมือการนํามาสู่การลงมือเรียกว่าภาวนามยปัญญานะแต่ลงมือแล้วจะเกิดปัญญาเลยไหมก็ไม่ใช่ชก็ลองถูกลองผิดมาเรื่อยๆถูกบ้างผิดบ้างนะดังเละบ้างง่วงบางง้างงาบ้า ง, บางเบื่อบ้างขี้เขียนบ้างไม่ชอบหน้าคุบายอาจารย์บ้างก็สลับกันไปสลับกันมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งมันตกผลึก มันตกผลึกขึ้นมาเอ๊ะวันหนึ่งมันคิดได้ตรงนี้เขาเรเกิดศรัทธาเกิดสันทาอยากจะทาขึ้นมาจากตัวกรามิตรก็ให้เกิดได้ยินใน้ฟังทำให้เกิดศรัทธาเพราะเกิดศรัทธาแล้วทำมีใจอยากที่จะทำก็ตัวศรัทธาก็นำมาสู่ตัวได้ตัวรู้ครับได้สติสมัญญา นะได้ตัวคิดเมื่อก่อนตัวคิดตัวรู้ตัวแบบนี้มันเคยได้เคยมีมาก่อนไหมก่อนที่เราจะมาศึกษาเรื่องนี้ยว่าในหนึ่งลึกได้ไหมเม่าก่อนที่จะมาศึกษาเรื่องนี้ความรู้ที่ได้ก่อนหน้านั้นกับความรู้ตัวใหม่ที่ได้เนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันต่างกันใช่ไหมความรู้ก่อนที่เราความรู้ที่ว่ารู้สึกเราก็ได้ยินได้ฟังรู้เรื่องนี้มาก่อนปฏิบัติด้วยซ้ําไปใช่ไหมความรู้สึกประเภทนั้นกับความรู้สึกตัวประเภทตัวใหม่ที่เรารู้เดี๋ยวเนี้ต่างกันไหม ต่างกันใช่ไหมพอจะบอกลักษณะได้ไหมต่างกันอย่างไรไเห็นชัดกว่ารู้ชัดกว่าในส่วนที่เป็นปัจจุบันอืมแต่ก่อหน้าไม่รู้ตัวนี้ไม่มีนะอ่าอันนี้คือเรียกว่าปัญญาตัวนี้เกิดจากการภาวนาละภาวนามยะปัญญาปัญญาตัวรู้ประเภท น, นี้กว่าจารย์อื่นบรญญาให้ฟังทั้งวันเราจะเข้าใจได้ไหมเราจะเข้าใจเกิดเป็นอย่างที่เรารู้อย่างทุกวันนี้ไหม ถ้าเราไปฟังเทฟฟังอ่านหนังสือแล้วจะทาให้เข้าใจการการะทำแบบนี้ไหมไม่เพราะมันไม่เกิดเรียกว่าไม่ได้เรียกวไม่ได้ภาวนาด้านการสั่งสมการฟังการสั่งสมการคิดที่นิพิจารณานั้นก็จะไม่เกิดตัวรู้ตัวนี้ตัวนี้ก็ว่ารู้รู้จำรู้จักที่เกิดจากการอ่านการฟังเรีวรู้จํารู้ จ, จักพอมาลงมือการการะทำชักรู้จริงขึ้นมาละรู้จริงขึ้นมาคือรู้ตัวนะ มันก็พัฒนาในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งภายนอกทั้งหมดก็เพียงทำให้เกิดปัญญาขั้นระดับรู้จำและรู้จักเท่านั้นใช่ไหมแต่พอมาลงมือแล้วชักเกิดความรู้จริงขึ้นมาถ้าเราไม่ลงมือแล้วไอ้ตัวรู้อย่างนี้มันจะเกิดไหมมันก็ไม่เกิดใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวสติสัมปัญญะเกิด เราจะศัทธาขณาดไหนก็ตามถ้าไม่ลงมือสติด้วยสติสมัจญะแล้วมันก็ภาวน า, ไ ม, าไม่ได้ปัญญาก็เกิดไม่ได้เมื่อเกิดสติปัญญาแล้วความคิดเปลี่ยนไปไหมเมื่อได้ทําภาวนาเกิดตัวรู้ดูที่ความคิดความอ่านเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปเมื่อก่อนคิดยังไงต่าง ก, ก, กันกับปัจจุบันนี่ยังไงเมื่อก่อนคิดมั่วยนะแต่ตอนนี้คิดลําดับเป็นเรื่องเป็นราวต้องการคิดก็ได้ไม่ต้องการคิดก็พอได้ใช่ไหม นี่เขาเรียกว่าเกิดมีการพินิจพิจารณาขั้นนี้เรียกว่าโยนิโสมานสิการเกิดโยนิโสมนสิการคือรู้ว่าคนจะทำอะไรอย่างไรนะจำเป็นแค่ไหนไม่จำเป็นแค่ไหนมีการตัดสินใจที่ถูกต้องขึ้นเมื่อก่อนมันแล้วแต่ตามอารมณ์นะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ตามแล้วมีเกิดการ ช, ชะลอเกิดการยั่งคิดเกิดการพินิจพิจารณาเกิดการหาเหตุหาผล ในสิ่งที่จะต้องใช้ใกายวาจาใจเอาละทีนี้มาถึงขั้นที่ว่าเรามีการเลือกใช้ความคิดเป็นแล้วนะทีนี้เมื่อก่อนความคิดที่มันเลือกไม่ได้นะแต่เราก็ทาต้องทำตามมันแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกเลือกได้แล้วก็เลือกที่จะไม่ทำตามความคิดประเภทที่ไม่สมควรแต่เลือกที่จะทำตามความคิดที่สมควรเนี่ย ลักษณะนี้ เ, เ้าเรียกเกิดอินทรีสังวรคือเกิดการระมัดระวังการใช้ความคิดขึ้นมาการใช้คมพูดขึ้นมาการใช้การกระทำขึ้นมาบางคนบางคนเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อเราต้องการที่จะพูดบางทีพูดไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้รู้สึกมีการเลือกที่จะไม่พูดได้ใช่ไหมเมื่อก่อนต้องการอะไรก็พูดไปเลยเหมือนกันะแต่เดี๋ยวนี้จาเลือกที่จะไม่ไปก็ได้อ่า อันนี้เรียกว่ามีการเลือกเกิดขึ้นคืออินทรีสังวรเกิดการระมัดระวังในการใช้เมื่อเกิดการระมัดระวังในการใช้แล้วนี่มันก็จะคำพูดก็ดีการการะทำก็ดีความคิดก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไปทางถูกหรือทางผิดหลังจากรู้จักเลือกเป็นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำออกมาทางกายวิาจะจ ะ, จะเป็นไปทางถูกหรือทางผิดคุณศักหลับพิงเสาเวล้ว ฮะเ อ, เออเน็กๆครับผมกำลังถามอยู่เมืม่อเรามีการเลือกมีการเลือกใช้ความคิดเป็นความคิดการกระทําคาพูดจะออกมาในทางถูกหรือทางผิดเป็นส่วนใหญให่แสดงว่าไม่ได้ลำดับสิ่งที่ผมตามมาตลอดนี่ฮะไม่ใช่แล้วเห็นไหมพิสูจน์ได้เลยเนะ การโยนีิสวงัติิการในสิ่งที่เรากำลังให้สูตรธมยะปัญญาแก่กันไรกันนะครับถ้าไม่ฟังจำระดับก็จะตอบมูผมถามอีกทีหนึ่งว่าเมื่อเราเกิดศรัทธาที่จะทำได้สติสมญาขึ้นมาแล้วก็มีการลงมือทำแล้วมีการที่จะเลือก คำพูดเลือกความคิดเลือกการกระทาได้ตามต้องการผมถามว่าคำพูดความคิดและการกระทาที่เราเลือกทาได้เนี่ยผลออกมาเป็นทางถูกหรือทางผิดอืมเพราะเราเลือกเป็นอะใช่ไหมมันถึงเลือกในทางที่ถูกนะอา่าเลือกเป็นในทางเพราะว่าโดยสมันสานึกแล้วเนี่ยอะไรถูกอะไรผิดนะทุกคนมารู้อยู่แล้วนะแต่เมื่อก่อนมันเลือกไม่เป็น อ่าเมื่อก็เลยทําถูกบ้างผิดบ้างสกบ้างทุบบ้า ง, างแต่ตอนนี้รู้สึกมันเลือกทําในสางที่ถูกละแต่ทางที่มันถูกมันก็รู้เด็กมันก็รู้นะอันนี้ไม่ถูกบางทีเพราะนั้นเรื่องถูกเรื่องผิดนี่รู้ข้างนั้นนหะครับแต่ว่ามันจะทําหรือไม่ทํำนี่อยู่ขึ้นมาเราเลือกเป็นหรือไม่เป็นนะลักษณะที่ทําผิดทางทําถูกทางกายวาจาใจเมื่อขึ้นเรียกว่าสุจิริสามอ่าเกิดสุจิริสามขึ้นมาละหมายความว่าทํากายทางกายก็ ระวังกายได้ถูกระวังวาจาคำพูดถูกกระลเทศะเกิดประโยชน์ความคิดก็ควจะคิดนำเสนออะไรออกมาก็พิจารณาใจตรองถึงเหตุถึงผลในทางที่ถูกไม่ใช่ว่าทําไปเรื่อยๆถูกบ้างผิดบ้างได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนี่ก็เรียกว่าไม่มีการเลือกที่แยบคายนะฮะ <c oughs> ทีนี้ต่อมา เมื่อมีการเลือกเป็นแล้วนี่เวลาเรามาเจริญสติแบบนี้มันก็ง่ายขึ้นนะครับทําได้ทั้งวันเลยทีนี้เพราะมันเลือกว่าขณะนี้เวลาขณะทำเนี่ยมันมีสิ่งที่ให้เลือกตั้งเยอะน ะ, ะในช่วงเช้าก็มีให้เลือกอีกแบบหนึง่งในช่วงบ่ายมีให้เลือกอีกแบบหนึง่งช่วงเช้าสิ่งที่เราเลือกมีอะไรบ้างเกิดขึ้นมาให้เราเสนอมาทำเป็นานเกิดอะไรดวงตาลักอ่าเวลาทำเป็นนานจะรู้สึกยังไง ความชินเปประโยช น, น, น, น์อความเคยชินเหมือนก็ออกกำลังกายอยตอบมั่วแล้วเนี่ยจ่อมั่วแล้วลงตะลักหลงตะลั ก, ลกยังยังมั่วอยู่นะความเคยชินก็ให้เกิดความรู้สึกสามประการหนึ่งบางครั้งชอบบางครั้งไม่ชอบบางครั้งเฉยเฉยเทมัยพูดให้ฟังทุกวันพูดฟังมานานแล้วแต่ตดนรักโดนรักไม่ได้ฟังผมเท่าหไหร่เลยคิดไปตามด้วยเรื่อยๆนะผมดูใจออกนะ ถ้าดูปันนี้บันดูทําไปนานแล้วนะฟังด้วยความเคยชินมันก็จะมีความรู้สึกสลับกันชอบบ้างไม่ชอบบ้างเฉยๆบ้างสนใจบ้างไม่สนใจบ้างฟังฟังไม่ฟังบ้างอะไร <that 's out> มันค่อออกมานี่เรื่อความเคยชินแต่ถ้าฟังด้วยความอาใจใส่มันก็จะรู้อ๋อบางอย่างถูกบางอย่างผิดบางอย่างใช่บางอย่างไม่ใช่บางอยา่างอสงสยัยบางอย่างเข้าใจบางอย่างไม่เข้าใจเนียมันก็จะเลือกใช้ละ ลักษณะนี้เรียกว่าเราเกิดสติปฐานละคือหมายถึงว่าเราตั้งสติเป็นฐานรับในสิ่งที่มากระทบะเมื่อก่อนเราเอาความเคยชินบ้างความชอบไม่ชอบมาเป็นฐานเวลาเราตั้งว่าเอฉันไม่ชอบสิ่งที่พูดมาถูกเพี้ยตามฉันไม่ชอบหมดถ้าตั้งว่าฉันชอบสิ่งที่พูดมาถูกผิดฉันชอบหมดฉันเฉยๆสิ่งที่พูดมา ชอบก็ไม่เอาไม่ชอบก็ไม่เอาฉันไม่ฟังท่างนั้นเลเนี่ยขึ้นอยู่กับเราตั้งเป็นฐานไว้เราตั้งแบบไหนเนะ่แต่ถ้าตั้งสติไว้เ อ, อชอบก็ itte, พูดฟังพูดเพราะก็ฟังไ ด, ด้พูดไม่เพราะก็ฟังได้พูดถูกก็ฟังได้พูดผิดก็ฟังได้แต่ฉันฟังเฉยเฉยนะฟังแต่แปลวว่าฟังอ่าอย่างนี้มันก็ไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอาละแต่ว่าฟังมาเฉยเฉยผ่านผ่า น, านไปก็มีทั้งถูกทั้งผิดเนี่ยฟังเฉยเฉยแบบโมหะคือไม่เอาอะไรทั้งนั้น ฟังเฉยๆแบบปัญญาคือฟังเสร็แล้วฟังฟังแล้วก็เลือกเอาส่วนที่ดีไปใช้ส่วนที่ไม่ดีก็ปล่อยวางไปนะอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนี้เรียกว่านําไปสู่สติปัฏฐานละนะเมื่อําไปสู่สติปัฏฐานได้ถูกต้องบ่อยเข้าปล่เข้าจากสติปัฏฐานแค่นาไปรู้สิ่งสองสิ่งคืออะไรนําไปรู้กายกับรู้ใจในะําไปรู้กายเรียกว่าสมาร t ถ้านำไปรู้ใจเรียกว่าวิปัสนา <being S 1> นำไปรู้กายคือรู้ความรู้สึกทางกายนำไปรู้ใจนำความรู้สึกทางใจความรู้สึกทางกายมีกี่อย่างเผมถา ม, มถามกายผมไม่ได้ถามใจแล้ความรู้ทางกายมีกี่อย่างความรู้สึกทางกายมีกีอ <ใ ini S 1> ่ อ, อย่างก็นั้นมันมีกี่อย่างมีสองอย่างแล้วอะไรบ้างแล้ <advances. S 1> Rab, วคำพังพูดเรื่องกายไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตมั่วเองแล้วเนี่ยมั่วนิ่ ถามเราทางกายมีกี่อย่างหนึ่งรู้สึกสบายกายมีไหมสองรู้สึกไม่สบายกายมีไหมสามรู้สึกทางกลางมีไหมเออไม่ต้องพูดถึงเรื่องจิตอะกลางกลางก็มีเออกลางกลางก็มีเออนั่นน่ะ น, นี่ผมบอกแล้วไม่ได้ฟังผมมาตลอดนะผม <c oughs> ตอบบางสู บ, บ้างผิดบาง <c oughs> มีสามอย่างคน <c oughs> รู้สึกสบาย นั่งแบบนี้สบายไหม<ช>นั่งนะแถวตอนนี้สบายไหมไม่สบายหนักเครื่องหลายกิโลนะ่ะไม่สบายได้ที่ไหนะแต่มันพอทนได้เท่านั้นเองใช่ไหมอ่าแต่จะให้สบายกว่านี้ทําไงเอาเปลี่ยนจริงจริไงไม่เปลี่ยนนิดเดียวมันสบายที่ไหนเราเปลี่ยนจริงจนี่แสดงไม่จริงใจเลยนะไม่เปลี่ยนเอเออย่างเอาอางี้ยมันก็เปลี่ยนเราเห็นไหมต่างไหมต่างกันแล้วน้ําหนักที่มันหายไปขี่ไปหายไปไหนเออนั่นหายไปยังไง เบาเพราะว่าอิกที่เราไปนั่งทับกันหลายเวียนที่พูดไปวันก่อนว่าพอเราไปนั่งทับกันหลเวียนของเลือนลมใช่ไหมไปนั่งทับมันปั๊บมันเกิดการต้านพอต้านแล้วมันเกิดอาการหนักแต่พอเปลี่ยนปั๊บเหมือนกับปล่อยปะปล่อยทางให้มันการเวียนหลายเวียนปล่อยทางมาเดินใช่ไหมไอความน้ำหนักก็หายไปความเลืลมก็เดินพอเดินก็เบานึกถึงรถติดอะพอรถไปติดปั๊บเนี่ยรู้สึกคนขับเป็นไงสบายใจไหม อืออัดไล่ใช่ไหมเมื่อไหร่มึงจะไปสักทีว่อะไรนต้นทนไม่ไหวขนาดไฟแดงแล้วมันยังไม่ไปไฟเขียวยังไม่ไปอีกทำไงกุดแก่ตื้อๆเลยไหมกุดคุณคุณราชันรู้จักดีะไฟเขียวแล้วทำไมไม่ไปนะมึงอืดอัดโมโหแล้วหนักแล้วนี่โดนหนักแต่พอไฟแดงป้อปใจไปไง ไฟเขียวปับลงเลยใช่ไหมเหยียบปื้ดไปเลยก็เหมือนกันเวลาเรานั่งทับนานๆไฟแดงเวลาลุกขึ้นไฟเขียวใช่ไหมเรากำลังจะลุกเป็นไฟอะไรไฟเหลืองนี่ทํำท่าจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยไฟเหลืองอย่าลักษณะนี้อยู่นี่นี่ไฟเหลืองนี่ยวันนี้ไปเขียวก็ไฟแดงไงไฟเขียวไฟเหลืองก็มีด้วยแต่ท่านไม่ได้ขับรถมีแต่ไฟเขียวกเพลิ เออเตือนเออเตือนว่ารีบนะไปนะบอกนะไฟเหลืองเตือนเตือนให้หยุดและเตือนให้ไปนะแล้วแต่มันจะมาช่วงก่อนแดงก็ก่อนเหลืองถ้ามันมาก่อนแดงก็เตรือมให้หยุดถ้ามาก่อนเหลืองถ้ามาก่อนเขียวก็เตรือมให้ไปนะเนี่ก็เหมือนกันเวทนาก็จะใช้หลักสามนี่เหมือนกันคือสบายไฟเขียวไม่สบายไฟแดงเติมตัวทั้งสบายแล้วไม่สบายเป็นไฟไฟเหลืองนีเวทนาทางกายใช่ไหม อ่าต้องถามนิดน้อยบ้างในน็อตความรู้สึกทางใจมีกี่อย่างสามอย่างมีอะไรบ้างเหรอดีไหมในน็อตตอบทันทีเลยไหมไม่ได้ลังเลแบบลุงตาเลยนะเขาป็นพี่ผมเขาเป็นพี่ผมเออไม่ในน็อตตอบแบบไม่ลังเลแล้วก็เพะเลยไหมเพล่เลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นทวารดตั้งใจฟังเพืได้คําตอบทันทีเนี่ยเพราะฉะนั้นก็สามอย่างเนี่ยอ่า ความรู้สึกเนี่ยเรากาลังเข้าสู่หมวดสถิติัญหาสี่แล้วนะว่าทีมันสี่ข่ายจำความรู้สึกสามอย่างนี้พวกเราอยู่ในระดับเริ่มต้นปฏิบัติแล้วก็ทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีแต่ความจริงลึกๆแล้วเนี่ยถ้าสูงขึ้นไปบอกว่าความรู้สึกทางกายก็ไม่มีความรู้สึกทางใจก็ไม่มีมันจะมีแต่อะไรอ่ะมีแต่ว่างๆว่า ง, างนนั้นอันนี้หมายความมันไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะระดับเรานี่เอาแค่สองอย่างให้ได้ก่อนก็นแล้วกันนะ คุณก็ต้องใช้ขาสองขาใช่มเดินขึ้นไปแต่เมื่อเราไปถึงบนบ้านนั่งก็อีพร้อนะ่ะขาทั้งสองไม่ได้ใช้แล้วใช้อะไรใช้ก้นนั่งอใช้ตะโพกแล้วขาทั้งสองไม่ได้ใช้ลรวบอกมันว่าห่างจากขานี้ได้ไหม ไม่ไ ด, ไมได้มันมีขาอยู่แต่มันไม่ได้ใช้อ่าเพราะฉะนั้นบางคนพวกรัฐที่ว่างเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรคุณไปถือทางกายก็มันอีกฝั่งหนึ่งคุณไปถื อ, อาทางจิตก็อีกฝั่งหนึ่งคุณยังว่างไม่ได้คุณยังไปไม่ถูกอันนี้พวกนี้พวกปฏิเสธขา <c oughs> ใช้ขามาตั้งนานบอกว่าไม่มีขาได้ไงแต่ขนาดนี้มีอยู่แต่คุณไม่ได้ใช้มันจิตของเราเหมือนกันเราคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดถูกบ้างคิดผิดขึ้นพอใจไม่พอใจแต่จริงๆแล้วจะต้องว่างทั้งสองอย่างนี้ แต่สองอย่างนี้ยังมีอยู่แต่เราไม่ได้ใช้มันเราไปใช้อะไรอะ่ะใช้ตัวรู้อ่าใช้ตัวรู้ก็เหมือนเราเรานั่งไม่ต้องใช้ขาทั้งสองอ่าเพราะมันยังไม่ถึงเวลาใช้แต่ถึงเวลาจะไปปั๊บเนี่ยมันก็ต้องใช้ขาทั้งสองเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนกันเพราะนั้นเวลาทำงานก็ใช้กายใช้ใจเหมือนเดิมแต่เวลาเราไม่ได้ทำงานอะไรก็ก็ว่างจากความรู้สึกของเราก็ว่างคืออยู่กับตัวรู้ไม่มีทั้งกายไม่มีทั้งจิต เนี่ยเวลาพูดกันทีก็ต้องคพูดให้ถึ้งสามระดับระดับลม่มต้นระดับกลางระดับไม่ต้องระดับสูงสุดเลยไม่ต้องเอาอะไรแต่ก็ต้องเอาเพียงแต่ว่าคนที่อยู่ในระดับปฏิบัติเนี่ยมันยังไปไหนยังแบกขาไปอยู่งัน้นเถอะมันยังทิ้งขาไม่ได้หมาอความไงหมายควาว่ า, ไ, วาไปไหนก็จะต้องจับความรู้สึกเอาไว้เรื่อยๆทิ้งความรู้สึกไม่ได้อ<ไ>แต่ว่าคนระดับสูงแปลงความรู้สึกให้เป็นความรู้ล้วน คือแปลงรูปนามนามรูปให้เป็นรู้สึกรุนรุนเรียกว่าปรมัดจับที่ความรู้สึกรวนๆุนนะโดยที่ไม่ต้องว่ารู้สึกกายรู้สึกใจแต่การที่จะเราไปจับความรู้สึกรวนๆุนเป็นตัวว่างจากกายจากใจว่างจากความคิดว่างจากการปรุงแต่งเนี่ยก็คือเข้าไปอยู่ความรู้สึกรุนๆุตกกตนตัวนั้นก็คือก็เบาสบายไม่ต้องแบกใช่ไหมแต่เวลาจะใช้ก็ใช้ไม่ต้องแบกใช้เสร็จก็วาง อันนี้ก็คือเรื่องสี่ประธานทีนี้ในสี่ประธานให้รู้ว่ามันมีสองข้างคือข้างรูป ก, กับข้างนามข้างรู้โดยสัญญาต้องใช้รูปข้างรู้โดยปัญญาเอามาใช้กับนามมาใช้ตัวรู้ที่อาศัยรูปอยู่ก็คือคอยลึกลึกรูกายที่มันเคลื่อนมันไหวเนี่ยทําไปเรื่อยเรยจนกระทั่งตามรู้นี่ไปเรื่อยๆมันเกิดปัญญา พอมันเกิดปัญญามันก็าวางตัวรูปตัวนามไปอยู่กับตัวรู้เฉยๆแต่ตัวรู้เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่มีความคิดไม่มีความนึกไม่มีความอะไรบางครั้งเราก็เดินทั้งวันโดยที่ไม่ต้องนึกคิดอะไรก็มีอยู่ใช่ไหมบางครั้งก็คิดบ้างบางครั้งก็ไม่คิดบางครั้งก็เฉยๆก็ให้รู้ตัวรู้เนี่ยมันจะรู้ว่าเออตอนนี้เราเฉยนะตอนนี้เราไม่เฉยให้ พะฉะนไอตัวขนาดที่เราทําเนี่ยจิตของเรามันอ น, นุนบ้างอันนี้บ้างก็ตามเรื่องของมันแต่เราหน้าที่ของเราเพิ่งจับตัวรู้ไว้เฉยๆเอาไว้ก็แล้วแต่ถ้าตัวรู้ี่มันเข้มแข็งแล้วก็รู้ทันมันมันก็ไม่ปรุงแต่ถ้ารู้ไม่ทันมันก็ปรุงอยู่ดีอ่าวันนี้ปรุงขี่เรื่องหลวงตาลักณแน่นโกโหกอยู่แล้วนี่ย <laughs> ผมไม่ชอบปรุงอเออก็แสดงว่าเป็นญญอ๋อแสดงว่าเป็นพาะรหันไสน้อยได้แล้วไ่ไงไเอาไม่ได้ไดไดมันบรรลุทํายากอย่าเงี้ยตอบไม่ตรงคําถาม เห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเหล่านี้เราจะเราจะปฏิเสธไมนได้คิดก็บอกว่าคิดเออผมคิดเยอะทีเดียวแหละ ว, วันนี้แต่ว่าผมรู้ทันเอออย่างนียง้ยังสมเหตุสมผลเนี่ยวันนี้ผมไม่คิดเลยนี่ไม่สมเหตุสมผลคิดตั้งเยอะแต่คุณไม่รู้ทันเฉยๆนะอันนี้คือตัวอย่างนะว่าเออเราจะต้องศึกษาแบบนี้แหละพอเจริญสติปัฏฐานเป็นแยกรู้ กายรู้ใจเป็นแยกความคิดเป็นมาอยู่ก็รู้ล้วนๆเป็นตัวนี้สติปัฏฐานเริ่มเปลี่ยนตัวเป็นสติสามพชทธชงอ่าเริ่มเปลี่ยนมาเป็นสติสามพุทธชงหมายความว่าสติเปลี่ยนเป็นตัวรู้ละแต่แรกสติปัฏฐานมันสติปัฏฐานยังต้องมารู้กายรู้ใจใช่ไหมเรา แ, แต่พอสติสัมบูรณมาเป็ น, เ ป, นเป็นตัวรู้ล้วนๆละไอ้ตัวรู้ล้วนนี่เองเราจะรู้ได้ทั้งหมดหมายความกายมีอะไรก็รู้ใจมีอะไรก็รู้ ว่าไม่เข้าไปในกายไม่เข้าไปในจิตรู้เฉยๆนี่เป็นสติสัมโพชฌงละแต่ถ้ามันรู้เรื่อเกี่ยวข้องในกายเกี่ยวข้องในใจอยู่มันก็ยังเป็นสติปัฏฐานอยู่ะคอยระลึกอยู่เลยกลัวมันลืมคอยกระตุ้นอยู่เลยแต่พอเป็นสติสัมโพชฌงก็ก็ทําอะไรก็รู้รู้แล้วก็วางแต่สติปัฏฐานมันยังไม่วางนะรู้เนี่ยก็ยังรักษาไว้อยู่พ่ออยู่ในขั้นฝึกเราก็ทำไปเรื่อยๆ นะจนกระทั่งว่าวันหนึ่งมันชั่นิี้ชันาญว่าเคยเห็นไหมคนจีกสียกยานบโค้งมันปล่อยมือเลยนะขนาดมันไปทางโค้งมื่อยังไม่จับเลยอเคยเห็นไหมเออแล้วคนเราที่ที่ยังไม่ชำนาญขนาดปล่อยมือได้ไหมแล้ปล่อยมือแะไรก็ล้มเหมืนั้นอ่ะเอามาอย่างอชิจันย์มืนเลยอะไรมันขี่เข้าโค้งโดยปล่อยมือเฉยเลยมันเป็นไปได้ยงไงแต่มันทําได้อ่ะใช่ไหมคุณไรชันเคยเห็นไหมแ้วโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเขาแข่งรถแบบปล่อยมือกันอ่ะที่เข้าโค้ง ทั้งหลายคงมันไม่เป็นอะไรเลยนะอันนี้เหมือนกันนะเวลาไปสู่สถิตสมช ong แล้วมันปล่อยตัวรู้ได้โดยที่สจิตมันไม่ล้มไปอะ่ะอ่าจิตไม่ไปล้มกับความคิดมันมันปล่อยตัวรู้มันปล่อยตัวรู้กายรู้ใจมันไปอยู่ตัวรู้ล้วนๆมันก็ส่งตัวรู้ได้อยู่อันนี้ในแง่ของรูกปธรรมก็มีเหมือนกันใช่ไหมอ่าเอาละทีนี้เมื่อรู้สถิติประฐานสีแล้วก็ผู้ชงจิต จากนั้นก็เข้าสู่องค์มรรคละนี่คือผมกําลังลำดับความเป็นมาตั้งแต่แรกถามเน่เนงมาละหนึ่งอ่าลําดับรู้ว่ามันควรจะมารู้แบบนี้มันผ่านอะไรแล้วหนึ่งผ่านกเรียนมิตรใช่ไหมคือเพื่อนเพื่อนตัวนี้อาจจะเป็นหนังสือเป็นซีดีเป็น youtube อะไรก็ได้เขาเรียกว่าตัวอ่ากเริยนมิตรนะอันที่สองพบกเรียนมิตรได้เกิดอะไร ปัญญาสาประการใช่ไหมหนึ่งปัญญาจยินี่้ฟังสองปัญญาในการจำมานึกคิดพิจารณาอ่านหนังสือสามปัญญาจากญญาจากร า, ญญ า, ากรลงมือทําอ่าลงมือทําต้องได้พบใครพบกเรียนนิมิตบอกให้เราทําแล้วพอรู้สึกทําแล้วอยากจะทําต่อมีความรักอยากจะชอบอยากทาต่ออ่านี่ก็คือศรัทธา นะสัทธาอันที่ 2, สองสัทธาสัทธาทําให้เกิดสติสัมยะอันที่ 3. สามสติสัมยาก่อให้เกิดโยนิสโสมนุสิการอันที่สี่โยมณิสโสมนุสิการก่อให้เกิดตัวสํารวมอินทรียหกอันที่ห้าการสํารวมอินทรีย์หกทำให้เลือกผู้เลือกทําเรื่องคิดได้ถูกต้องคือสุจีสามอันที่หกอันที่เจ็ดสุจีสามนําให้เรามาสู่การเจริญสติปัฏฐานสี่อ่ อันที่แปดนำมาสู่ตัวรู้ล้วนๆคือสติสัมโพชฌงค์แล้วอันที่เก้าเกิดวิชาอันที่สิบเกิดวิมุตล่ะนี่ไหมมันจะเป็นไปตามลําดับของมันนี้ตัวรู้ล้วนๆเนี่ยเพราะง่ายตัวรู้ล้วนๆมันจะต้องมีที่ไปที่มาไม่ใช่รู้เฉยๆนะนะเมื่อเราลำดับการรู้ของเราได้ยิ่ปั๊บเนี่ยโอเวลาเราไปนําเสนอเนี่ยเราก็จะไม่มั่วละเออมันมีคันใดนะผมจะขึ้นบนชั้นสองชั้นสามอะ มันมีบันไดแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องใช้บันไดใช่ไหมขึ้นไปห้าชั้นเขาใช้อะไรไไะใช้ลิฟต์เห็นไหมก็เหมือนกันการเจริญสติบางครั้งพอไปถึงขั้นพุทชงแล้วเราใช้ลิฟต์แล้วทีนี้ใช้ลิฟต์ ห, หมายความว่าเทคโนโลยีสูงขึ้นละใช้ตัวรู้บริหารตัวรู้ให้เป็นตัวรู้ใช้ไม่เป็นถ้าใช้ตัวรู้ไม่เป็นก็ใช้ถูกใช้ผิดใช้ ถูกกาละบ้างไม่ถูกกาละบ้างเยอะก็ยังตัวรู้ยังใช้ไม่เป็นนะคําว่าตัวรู้มันใช้เป็นหมดทําอะไรถูกเป็นส่วนใหญ่นะไม่ค่อยผิดพลาดอา่าแล้วเข้าใจตัวไหนได้บ้างก็บันทึกตัวนั้นแหละโอ้ผมจำไม่ได้เลยผมมรรู้แล้วครับผมไม่ต้องจําอะไรท่านอาจารย์บอกมันว่างจากตัวตนเออผมไม่บันทึกอะไรเออบอกด้วยนะคนไหนรู้ชัดเจนแนละ้วบอกผมด้วยผมจะให้ท่านมาช่วยงานทันทีเลยแหละเออแต่ถ้าไว้ขึ้นมาทําหน้าที่อย่างผมไม่ได้อย่าเพิ่งบอกว่ารู้ครับก็ สำหรับวันนี้นะเอาเรื่องนี้ไปพินิจพิจารณาเป็นเรื่องสมมติลุงพ่อมีโูสเขียนเนี่ยมันลำบากยุ่งยากทาไมอันนี้เอองั้นคุณขึ้นมาสอนสมมติได้ผมหน่อยดี่ผมจะได้ตามตามบ้าง น, นะ <c oughs> นะเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้ต้องให้มันเป็นเรื่องที่สนุกนะครับอย่าเป็นเรื่องเป็นซีเรีส์เอาไปทำให้มันได้แล้วก็เราจะต้องไปหายทอดสิ่งนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปเพรา ะ, ะนั้นเราจะต้องมีวิชามีหลักการ โอ้ผมปฏิบัติมานานแต่ว่าผมคือลืมหมดแล้วล่ะทุกวันนี้ผมไม่ได้ปฏิบัติหรอกอันนี้ประเภทนี้เรียกว่าอะไรไม่มีวาสนาเนะี่ยพวกนี้ไม่มีวาสนาดังนั้นอะไรก็ตามสิ่งที่เราทําไปแล้วต้องมีผลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรานะเคยจะดีไซน์เป็นอย่างไรก็เปลี่ยนไปในทางที่มันดีในทางที่มันงามในทางที่มันถูกบางคนโอ้ผมเอาแค่นี้หลวงพอ่อผมไม่เอามากกว่านี้ละ่ะอันเนี้ยเอาผมให้คุณ เหมือนคุณล้านผมไม่เอาหลวงพ่อผมเอาแค่สีบาทก็พอเขาว่าคุณปกติไหมไม่ปกติเลยเนี่เหมือนกันสิ่งที่เราจะเรียนรู้เนี่ยผมเอาแค่นี้หลวงพ่อผมไม่เอามากกว่านี้ตอบมีไม่ได้นะเพราะว่ามันจะผิดปกติแล้วเพราะวิสัยพระพุทธเจ้าบอกการที่สันโดษ นั้นเราสนรเสริญแต่ในแง่ของคุณธรรมเบื้องสูงแล้วอย่าสันโดษฮัลโหลอย่าสันโดษในคุณธรรมเบื้องสูงได้เท่ารู้ทึกเท่าไหร่ยิ่งดีนะพ่อแรงพ่อมันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนถ้าสามารถรู้ได้นะจะไปกับเพื่อนเพื่อนเราก็จะนำไปปฏิบัติแล้วคนรู้คนเข้าใจมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันสบายใช่ไหมไม่มีปัญหาแต่คนไม่รู้คนไม่ปฏิบัติมาอยู่ร่วมกับเรามีแต่ปัญหามีแต่เรื่องราว นั้นเราก็อยากจะให้คนรู้เยอะๆมาอยู่ร่วมกับเรามาทำงานร่วมกับเราเพื่อจะได้ทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมไม่มีปัญหาไม่มีความขัดข้องใดๆทำงานอะไรไปด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกระแสที่มันมีพลังในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีความสุขด้วยกันเราก็ต้องทำนะครับดังนั้นมาปฏิบัติเทยวนี้ ก็อยากจะให้เรียนรู้เป็นขบวนการในฐานะว่าเออเราเป็นศิษย์มีครูนะเราไม่ได้มั่วมาแล้วก็มั่วไปต่อเราก็ยังมีครั้แล้วครูท่านสอนอะไรมาว้างเราก็จะอ้างได้ใช่ไหมเออครูท่านสอนมาอย่างงี้แหละผมก็ปฏิบัติมาอย่างนี้แหละเออใช่คุณเป็นศิษย์มีครูเชื่อถือได้นี่ยก็ทำดังนั้นก็ในช่วงเย็นนี้ผมนําเสนอเรื่องอะไรวิชาสิบนะให้ไปพิสูจน์แล้วก็บันทึกแล้วพรุ่งนี้เอาสมุดมาส่ง ในช่วงเย็นอ่าแล้วผมก็จะมาดูว่าเออแล้วในนั้นท่านบอกมาเลยว่าเออผมเข้าใจอย่างไรผมไม่เข้าใจอย่างไรแล้วผมสงสัยว่าจะถามตรงไหนก็เขียนมาด้านหน้าเขียนบันทึกที่คุณต้องการท่านต้องการบันทึกด้านหลังมีข้อสงสัยแล้วเขียนไว้ด้านหลังนั้น อเอ้ยหลวงพ่อผมข อ, อยาสักเม็ดผมรู้สึกปวดหัวเขาเขียนมาด้วยก็ได้ไม่มีปัญหานะฮะแเมื่อคืนผมนอนเมื่หลับผ้าห่มผมไม่พอก็เขียนมาแล้วผมก็ยังมาบอกยืนหน้าที่ต่อไปนะเอเพราะว่าจะมาตามหาก็หรือว่าเขียนคําร้องมาได้ดันเลยในะสมุดนะแต่หลวงพ่อผมไม่มีบุหรี่สูบไม่พอผมไม่เอานะวันนี้นะผมจะไล่ออกค่ายเลยแล้วบอกบอกความจริงด้วยนะ ก็อ บ, บอกบอกาแฟฮอ น, น, นเออเนี่ยก็อบอกเออเชิญเอาไปฉันที่วัดเลยครับผมก็คะ บ, บอกอย่างนี้นะเชิญเอาไปฉันนอกวัดเลยะก็ให้มันสมเหตุสมผลนะก็ขอขอนุโมทนาสาธุในการศึกษาร่วมกันในวันนี้แล้วก็ศึกษามาวันนี้ทั้งวันถ้ามีอะไรที่บันทึกลงใปก็บันทึก แต่ถ้าหากว่าใครที่บันทึกไปแล้วสมุดมันไม่พอแล้วก็บอกกับปรมีอยู่ถวายเยอะแยะก็ขอให้การตั้งใจศึกษาเรียนรู้นี้เป็นแสงสว่างทางสติปัญญาสามารถมองเห็นทะลุปุ่ปวงในจิตใจของตัวเองแล ะ, ะขจัดข้อสงสัยในข้อธรรมต่างๆให้หมดสินด้นโดยการทุกคนทุกท่านเถิ